Book 2 6หกสิบห้าการปฏิเสธสองแวนวงนี้แพงไหมคะตตรไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรแน่สตุยเยนสตอเอูโรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะอะยรมาเมียนปัดศาสตร์คุณเสร็จแล้วใช่ไหมซิอุจโฮโทวีไม่ยังไม่เสร็จค่ะแนเยชเชเน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 คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวแต่เพืนเยอะน้ำเีสแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ i ปเดชวี ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์แนอาชโอวิคันดแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี แต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธอมีะแ a ่เีล้ว่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธอมีนแล้ว่เธอมีแฟนแล้วนะแตมีวนอละเวเอมีต่น้อมต่ลว่้น